กายก็มีการกระทำอยู่แต่จิตใจเนี่ยไมไ่อยู่การกระทำในวงงานของเราแม้แต่การขับรถการขับรถนี่เราไม่อยู่กับการขับรถอ้อเนจะสังเกตดูนะบางทีเราก็มองนู่นมองนี่คิดนู่นคิดนี่บางทีลืมไปว่าเรากำลังขับรถขับรถด้วยความเคยชินช ม, มันก็อันตรายจิตใจไม่ได้จดจ่อยอยู่กับการขับรถ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 บางทีความก้าวหน้าของเราเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปก็ได้เรามีความหวังผลมากเกินไปอยากมากเกินไปอยากได้มรรคผลนิพพานหวังผลไปไกลเลยมันก็ทำให้เราเกิดความท้อแท้ใจท้อตอยความเปลี่ยนไม่อยากปฏิบัติแล้วไม่เห็นได้ผลก้าวหน้าเลยที่จริงความก้าวหน้านั้นมีอยู่ถ้าเราไม่มีความต้องการมากเกินไปเราจะไม่ยึดมั่นในผลมากเกินไปความก้าวหนามีอยู่แล้ว เมื่อทีไม่อาจเกิดจากว่าเราไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเลยเราทำทำยหยุดหยุดครึ่งๆกลางกางขยันก็ทําขี้เกียจก็หยุดอันนี้ผลก็จะไม่ชัดเจนนะถ้าเราขายันก็ทําไปขี้เกียจก็ทําไปทําไม่ต่อเอนื่องใบหนึงน่งเดือนเนี่ยผลก็จะชัดเจนขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเราเนี่ยขาดสติเปรียบเทียบผลกับอดีตกับปัจจุบันก็ได้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 กำลังได้รับจากการกระทำความสงบความเ บ, บาอกเบาใจก็จะเกิดขึ้นทันที